พิจา ร, รณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังตามลำดับไปการฟังธรรมฟังแล้วไม่พิจารณาตามมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่เห็นจริงเห็นแจ้งในใจผู้ฟังธรรมจะเข้าใจธรรมะได้ก็พิจารณาตามนั่นเอง เวลาท่านอธิบายไปเอ็น <c oughs> ท่านพูดถึงเรื่องกิเลสอย่างนี้นะกิเลสอย่างนี้นะตนละมันหรื อ, อยังตนทำให้มันเบาบางออกไปจากกิตใจแล้วหรื อ, อยังนี่มันก็ต้องพิจายรณาตัวเองอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนั้นนี่ใช่ว่าเพื่อนพูดไปผ่านไปผ่านไปเราก็เล้วไป ตนมีเรื่องไม่ดีอยู่ในหัวใจอย่างไรก็ไม่คิดจะละไม่กำหนดละกาหนดวางหรือว่าความรู้ธรรมะอันใดสมควรที่เราจะกำหนดรู้แจ้งไว้ในใจก็ไม่กำหนดปล่อยให้มันเลยไปผ่านไปเฉยๆอย่างนี้นะมันก็การฟังก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยฟังแบบนั้นนะ อย่างนั้นที่มันจะได้ประโยชน์ก็ในเมื่อเรากำหนดใจของเราอยู่ภายในนะั่นมีสติประคองจิตอยู่ภายในแล้วพิจารณาตามหัวข้อธรรมะที่ท่านบรรยายไป <c oughs> อันหัวข้อนั้นนะเช่นอย่างว่าท่านยก เรื่องโทสะขึ้นแสดงอย่างนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าหัวข้อธรรมะหรือว่าทัานยกถึงราคะขึ้นมาแสดงอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าหัวข้อธรรมะเราก็ต้องจับให้ได้กำหนดในใจให้ได้อย่างนี้วันนี้ก็จะชี้แจงเหตุผลเรื่องโทสะ นี่สู่กันฟังเพราะกิเลสชนิดนี้นั่นรู้มันจะมีอยู่ในใจของคนทุกคนเลยจากแต่มากและน้อยขั้วกันเท่านั้นเอง <c oughs> ผู้ใดเป็นโทสะจริตเนีย่ยว่าเป็นผู้มากไปได้วยความโกรธก็มักจะทําความชั่วเพราะความโกรธอืเพราะโทสะอันนั้นแหละ ไม่ได้ทําความชั่วด้วยกิเลสอย่างอื่นก็กิเลสอย่างอื่นนั้นมันอ่อนไปเมื่อกิเลสอย่างใดมันมีกําลังกล้ากัวเพื่อนแล้วกิเลสอย่างอื่นมันก็กําลังก็อ่อนลงเป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับให้ได้ทําบาปดังนั้นนะควรพากันสังเกตดูจิตใจของใครของเราอ่ะว่า ภายในจิตใจของตัวเองนี่นะ่ะมันมีกิเลสอะไรที่มันมีกําลังออกหน้ากลัวหมู่นั่นนะมันมีกําลังกล้ากลัวหมู่นั้นก็ต้องสังเกตดูจิตใจตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่นนั้นแล้วมันก็จะทํากิเลสให้เบาวางไปจากจิตใจนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุคคลใด ไม่รู้ว่ากิเลสอะไรมันจูงใจให้ตนทําชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้ออันกิเลสตัวอื่นๆนั้นเมื่อกิเลสส่วนใหญ่นี่มันดําเนินไปตามกําลังของมันแล้วมันก็ดึงเอากิเลสส่วนอื่นให้ตามหลังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกําหนดดูให้รู้เมื่อรู้ว่า เรานี่มันเป็นคนโทสะจริตชอบโกรธง่ายอย่างนี้นะก็ต้องพยายามเจริญเมตตาเนยให้ ม, มากๆ mm. เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความโกรธนี่มันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะแล้วเรายังจะยินดีเลี้ยงมันไว้อยู่เหรือ mm. ก็ต้องถามตัวเองเลยถ้ายังไปเลี้ยง โทสะพยาบาทอะไรนี่ไว้ในใจแล้วก็มีทุกข์สเป็นที่ไปแล้ววันนี้น ะ, ะแล้วทำไมยังไปยอมตนลงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้กิจปล่อยให้กิเลสอนันจูงกายวาจาใจของตนไปทำความชั่วพูดชั่วไป อ, อย่างนี้มันสมควรแล้วหรื อ, อเราได้มาปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ว อย่างนี้นี่อันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีพระประสงค์ให้ผู้ที่นับถือเลื่อมใสพระองค์นั้นนะเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้ออกไปจากกิจใจของตนผู้ใดเพียรพยายามละกิเลสอันนี้ตามพุทธประสงค์แล้วผู้นั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ ถ้าจะมาเพียงปฏิ ญ, ญาณจนถึงคุณพระรัตนไกรด้วยวาจาเท่านี้แล้วไม่าพากเพียร์พยายามละกิเลสอันหยาบคายร้กาดให้เบาบางออกไปจากกิจใจอย่างนี้ไม่มีทางแล้วมันจะไปถึงพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆได้อ่ะไม่มีเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจเอพระคุณทั้งสามนี่จะช่วยบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้ก็ต่อเมื่อตอนเองแหละ ช่วยตัวเองนะตัวเองพิจารณาเห็นปมด้อยของตัวเองมีอย่างไรอ่ะกิเลสอันนี้แหละจะพาให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้นะไปในสงสารอันนี้เนะี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไปเลี้ยงมันวนะไว้พยายามขจัดมันออกไปด้วยการประพฤติธรรมจเจริญธรรมอันเป็นคู่ปรับกับกิเลส น, นั้นๆนะไปเรื่อยๆ เ, เมื่อคุณธรรม เหล่านั้นมันมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็ทำให้กิเลสชนิดนั้นบันเทาเบาบางลงไปอย่างเช่นความโกรธหรือว่าโทสะนี่แหละอันมนีถ้าหากว่าบุคคลใดมาเจริญเมตตาให้มาเข้าไปทุกวันทุกคืนไปแล้วอย่างนี้แน่นอนแล้วความโกรธนี้ต้องเบาบางลงแน่พูดถึงความโกรธกับโทสะนี่มันก็มีความหมายต่างกันอยู่บ้างนะ ความโกรธนี่มันมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยว่าความไม่พอใจขวมหูดหงิดภายในใจในเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจต่างๆนี่นะี่นะมันหูดหงิดขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมาแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือประหัดประหารเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น อันนี้ท่านเรียกว่าความโกรธแต่อย่างนั้นอย่างน้อยก็เพียงแค่ว่าทกเถียงกันไปธรรมดาทีนี้เมื่อบุคคลผู้นั้นไม่ระ ง, งับความโกรธนี้ให้เบาบางลงไปส่งเสริมให้มันมีกำลังกล้าขึ้นมากขึ้นไปถึงกับลงมือประหัดประหารกันได้อันนี้ท่านเรียกว่าโทสะแปลว่าปทุสร้ายซึ่งกันและกันนี่ อันเป็นอย่างนั้นให้ให้ให้รู้จักรักษณะอาการของกิเลสซึ่งมีสองชื่ออย่างนี้อาสามชื่อเข้าไปอีกนอกจากโทสะแล้วก็พยาบาทนี่พาบาทนี่หมายความว่าเมื่อในปัจจุบันเนี่ยตนโกรธใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้แค้นได้อย่างนี้ก็ผูกใจเก็บไว้ในใจว่าเอาชาตินี้ เราทําแกไม่ได้เ อ, อ้าชาติหน้าขอให้เราทําได้สังหารแกได้อย่างนี้นะผูกใจเจ็บไว้อย่างนี้เหมือนอย่างพระเทวทัตผูกอาคาดกับพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นอย่างนั้นนหะเมื่อเกิดไปชาติหน้ากรรมเหล่านี้มันก็โดนบันดาลให้ไปพบกันเข้าอีกแล้วก็หาเรื่องเหมือนทักกรรมอันนี้มันทักบันดาลนนะ่ะให้หาเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้น ประหัดประหารกันไปอย่างนี้อันนี้ที่มนุษย์เราประหารกันอยู่ในโลกอนี้ฆ่ากันอยู่ในโลกอนี้มันก็สืบเนื่องมาแต่เหตุปัจจัยหนหลังนั่นแหละมันพยาบาทผูกใจเจ็บต่อกันและกันไว้ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางเลยอย่างนี้นะไหนๆว่าก็ผูกพันกันไปพันว่ามันถึงห้าร้อยชาตินู่นน่ะ ถ้าหากว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบสาวกของพุทธเจ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วไม่ไม่ยกโทษให้แข่กันแล้วกันแล้วเวรนั้นย่อมไม่จบตามสนองไปถึงห้าร้อยชาตินู่นจึงจะหมดเขตลงเป็นเสียแต่ว่าเมื่อไปพบนักปลดปัดบัณฑิตเข้าไปฟังคำสอนของท่านท่านแนะนำ ให้รู้จักยกโทษให้แก่กันเลยกันอภัยซึ่งกันเลยกันอย่างนี้แล้วก็ต่างคนต่างก็ยกโทษให้แก่กันเลยกันแล้วเวนนั่นมันก็ระงับไปมันจะไม่ติดสอยหอยตามไปสนองในโลกหน้าต่อไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี้อันวิธีระงับกีเลตันหาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราระงับพูดถึงระงับโทสะพยาบาทนี่ เราพูดกันซึ่งหน้าต่างคนต่างก็เห็นโทษเองความโกรธความพยาบาทต่างๆวั น, นี้แล้วเราอาภัยให้แก่กันและกันเลยเลิกแล้วกันไปอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นวิธีระ ง, งับกรรมเวรอย่างหนึ่งนี่ออย่างหนึ่งก็ระ ง, งับด้วยภาวนาสมาธิด้วยการเจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปจเจริญเมตาเมตาก็เจริญไปจนจนว่า ใจมันสงบมันรวมลงเป็นหนึ่งนุ่นไม่ใช่ว่าเจริญนึกธรรมดาไปเลี้ยวๆไปเลยอย่างนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพเมตตาอย่างว่านั้นนะมันกําลังอ่อนเราเพ่งพี่เจรนาเมตตานี่เราปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขด้วยเราปรารถนาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขด้วย ทำยังไงหนอเราถึงจะเป็นสุขทำยังไรหนอบุคคลอื่นนะสัตว์อื่นจึงจะมีความสุขได้อย่างนี้นะเพ่งพิจารณาไปมาจนว่าใจนั่นมันเกิดความรู้สึกในตัวเองและบุคคลอื่นเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้เลยรู้สึกว่าใจของเราไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใครต่อใครแล้วมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยบบบนี้ มันสงบนิ่งอยู่ได้การเจริญเมตตาแบบนี้นะมีประสิทธิภาพมากสามารถบรรเทาความโกรธความพยบาบัตตต่างๆให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้นี่ฮพึ่งพากันบำเพ็ญอันบรรดากิเลสตัวนี้นะมีอยู่ทุกคนแหละต่างแต่มากและน้อยกุ้งกันเท่านั้นเอง <c oughs> ถึงแม้มีน้อยก็าตาม ถ้าบุคคลใดไม่เพียนละมันแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะมากขึ้นอยู่ในนั้นแหละเมื่อไม่เพียนละมันแล้วอย่างนี้นะมันมีเชื้ออยู่ภายในนั้นแล้วเวลาที่เชื้อภายนอกนั้นมากระทบกระทั่งเข้าไปั้างนั้นนิดข้างนี้หน่อยเข้าไปความโกรธอ น, นั้นมากบกแรงขึ้นแรงขึ้นเน่เพราะว่า เชื้อภายนอกนะมันมากระทบกระทั่งบ่อยๆ ม, มายั่วบ่อยๆ อ, อย่างงี้นะมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทไปเลยได้เหมือนกันน่ะทีแรกก็มีแต่ความโกรธธรรมดาไม่กล้าเบียดเบียนใครแหละแต่ครั้นเมื่อมีเชื้อเหล่านั้นมากระทบกระทั่งมากๆเข้าไปแล้วหากไม่เพียนละมันแล้วก็แน่นอนอนะ่ะก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทดังอธิบายมาแล้วนั่นแหละให้พากันเข้าใจ เพราะฉะนั้นเรื่องการเจริญเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องบำเพ็ญแท้ <c oughs> แต่ทีแรกเราก็ต้องเมตตาตนของตนนี่แหละก่อนนะ <c oughs> เมื่อตนของตนทาใจของตนให้เยอเือกเย็นสบายลงได้แล้วล้วก็นึกถึงผู้อื่นเริ่มแรกก็นึกถึงท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตน เช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาหรือว่าใครก็ตามแหละได้อุปการะเกือ้อกูลตนมาท่านเหล่านั้นเราถือว่ามีอุปการะคุณแก่ตนอตนจะไม่ลืมพระคุณเหล่านั้นแล้วเราก็แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดี ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วแลวก็ขอให้มีความสุขในภพที่เกิดแล้วนั้นนั่นเถิดอันนี้ได้ว่าเราแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นอันนี้ลืมไม่ได้ ถ้าเราลืมท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านี้เสียเราก็เป็นหนี้บุญคุณท่านแหละวันนี้นะบางคนลืมอ่ะเพื่อนได้อุปการะเกื้อกูลตนมาแต่ก่อนแล้ววันนี้ภายหลังมาท่านทำอะไรบางสิ่งอย่างไม่ให้เป็นที่พอใจตนตนโกรธเมื่อโกรธไว้ในใจผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็ปฏิเสธเลยว่าท่านผู้นั้นไม่ได้อุปการะตนเลย เลยแสดงอากตัญญูออกมาเลยบบบนี้นะนั่นเป็นอย่างนั้นแหละก็เลยเป็นนี่บุญนี่คุณของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั่นไปผู้เช่นนั้นนะถ้าผู้ใดยอมรับว่าท่านผู้นั้นมีอุปการะคุณแก่เราจริงๆนะแม้ท่านจะดุดาว่ากล่าวท่านจะทำไม่ดีอะไรต่อตอนตนก็ให้อภัยตลอดไปไม่ตอบโต้อืม เพราะว่าท่านมีอุปการะคุณต่อเราการที่เราไม่ตอบโต้เราให้อภัยท่านไปอันนั้นก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งการที่เราได้ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานไปแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ออันนี้ก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งนี่การที่เราช่วยทํากิจธุระของท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นบางครั้งบางคราวให้สําเร็จรุล่วงไป นี่ก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหากว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยรักษาพยาบาลให้ท่านได้ก็ช่วยนขนวายรักษาพยาบาลให้ท่านหายเจ็บหายป่วยลงไปหมู่นี้มันก็ร้วนแต่เป็นการตอบบุญแทนคุณทั้งนั้นเลยคนเราที่จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะรู้จัก บุญรู้จักคุณของกันและกันด่ากล่าวมานี่แหละโลกอันนี้น่ะไม่รบลาฆ่าฟันกันไม่เบียดเบียนกันเพราะว่าทอยที่ทอยก็สงข้อเอื้อเฟื้อเกือกูลกันไปมาหาสู่กันผูกมิตรมตรีจิตต่อกันไอ้เรื่องไม่ดีไม่งานต่างๆที่ร่วงมาแล้วนั้นดีกระทบกระทั่งกันมาไม่ท้าวถึงเลยยกเว้นไว้เลยเอาแต่เรื่องดีมาประสานกันนี่ นี่ถ้าพูดถึงโลกส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลบลาข้าฟันกันนะก็เพราะเหตุนี้แหละลองสังเกตดูซิโลกเขาอ ย, อยู่กันทุกวันเนี่ยที่ไม่ได้สงไม่ได้ทำสงครามโลกสงครามใหญ่กันเนี่ยก็เพราะว่าต่างหาอุบายผูกมิมตรไมตรีจิตต่อกันอยู่อย่างนั้นอา้าวหาโอกาสเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้น มันถึงได้บรรเทาความโกรธความพยาบาทอะไรลงอยู่มาจนถึงทุกวันเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่าหมู่มนุษย์หากไม่ไปมาหาสู่กันไม่เอผูกมิตรไม่ตรีจิตไม่นั่งเก้าอี้เจรจากันอย่างนี้แล้วป่านนี้โลกอันนี้เป็นไฟประไลกันไม่โลกไปหมดแล้วนี่นี่พูดถึงส่วนใหญ่นะแม่ส่วนย้อยที่เราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนี่ก็เหมือนกันเลย ให้เข้าใจเมื่อเราไม่หาอุบายผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันไม่อาหสิกรรมให้แกกันและกันเรื่องความผิดความพลาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งได้กระทบกระทั่งกันมาอย่างนี้นะก็ก็จะต้องแตกสามัคคีกันออก็จะต้องเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดกันแตกสามัคคีกันไปรวมหัวกันอยู่ไม่ได้เลยอะ เหมือนอย่างโรคภายนอกนะั้นอย่างที่ว่านะั้น่นที่เขารบราคาฟันกันอยู่หมนะู่นั้นเนี่ยล้วนตั้งแต่ไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันเลยกันเลยอ่ะต่างคนต่างก็ถือทิฏฐิมานะใครเขาว่าใครเก่งไม่กลัวใครอย่างนี้นะเมื่อต่างคนต่างไม่กลัวกันแล้วมันก็ต้องแน่นอนแนละ้ยต้องประหัดประหารกันอนมะแล้ว มันได้อะไรบ้างเนี่ยเราผู้ที่มองดูอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้เลยไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์ได้แต่กรรมแต่เวทติดตัวไปนั่นแหละว่าได้ชัยชนะไม่มีโลกอันนี้มันจะชนะกันเด็ดขาดลงไปตลอดเวลานั้นไม่มีเลยเอ้าวชนะฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งคราวนี้เอาต่อไปฝ่ายชนะกลับเป็นฝ่ายแพ้ ก็ได้ไม่แน่นอนเลยโลกอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราทงพิจนาให้มันทีท่วนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอาหิงซาปรมาธรรมมา <c oughs> ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมอย่างสูงดังนั้นทุกคนขอให้มี คุณธรทำอย่างว่านี่อยู่ในใจเราต้องอธิษฐานใจเสมอเสมอว่าเราจักไม่เบียดเบียนใครแม้คนอื่นจะมาเบียดเบียนเราเราก็จะอาโหสีกรรมให้ไปเลยเราจากไม่ตอบโต้ <c oughs> เพราะว่าการตอบโต้กันมันเป็นกรรมเียนเวรตามสนองไม่รู้จกจบจักสิน้นถ้าเราอยู่ดีๆแล้วยังมีคนมาอิจฉาเบียดเบียนนี่ก็แสดงว่า มันมีกรรมมีเวรผูกพันกันมาแต่ชาติก่อนนู่นนะชาตินี้เราไม่ได้เบียดเบียนกันจริงเลยแต่ชาติก่อนนู่นมันอาจเบียดเบียนกันมาผูกใจเจ็บต่อกันมากรรมนั้นมันก็บรนดานให้มาพบกันเข้าอีกออย่างนี้ผู้ใดระลึกได้อย่างนี้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อดกั้นทนทานเอาหาทางหลีกเลี่ยงไปเลยเช่นนี้แล้วเวรนั้นมันก็ระงับไปเลยเอมันไม่สืบต่อไปอีกแล้ว ผูนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเยินยอเ อ, อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นผู้มีความประพฤติเป็นไปเพื่อสันติสุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเอ อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําใจได้อย่างว่านี้นะก็ต้องมาฝึก ฝนอบรมจิตเนี่ยให้เข้าถึงความสงบให้ได้ด้วยการเจริญเมตตากรุณาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละคือว่าเมตตาพรหมวิหารนี่ก็เป็นสมถกรรมฐานอันหนึ่งนี้ให้พากันเข้าใจแต่นั้นผู้ใดยังรู้ตัวว่าตนนั้นเป็นโทสะจริตอย่างนี้นะมันก็ต้องเจริญพระกรรมฐานบทนี้ละให้มากกว่าบทอื่นเลยทีเดียว ต้องเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตเขดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุก ท, กทวนหน้าเลยคิดทั้งอธิษฐานทั้งให้ตนเป็นสุขด้วยให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเม้เราก็จะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็อย่าได้มาเบียดเบียนเราเลยขอให้รักสาตน ให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดนี่ให้นึกคิดในใจอย่างนี้เสมอเสมอไปอเมื่อเจริญเมตตานี่ยให้มากขึ้นเจริญทีไรก็ให้ใจมันสงบลงทีนั้นเช่นนี้แล้วแน่นอนแหละความโกรธความพยาบาทดังกล่าวมันจะเบาบางไปจริงๆรินะเห็นผลด้วยตนเองเลยทีเดียวเมื่อ กิเลสอย่างว่านี่นะมันมันเป็นหัวหน้าหมูมันอ่อนกำลังลงไปแล้วบันนี้บรรดากิเลสส่วนเป็นบริวาร น, นะมันก็เบาลงไปตามกันออย่างนี้แหละเราก็จะได้รับความสุขความเย็นใจความสงบใจอันเป็นบาทของวิปัสสนาบันนี้นะเมื่อได้ความสุขความเย็นใจความสงบใจอย่างว่านั่นแล้วเราอยพิจารณาอะไรมันกบ เห็นแจมแจ้งได้ตามเป็นจริงเลยแบบนี้นั่นโดยเฉพาะเรื่องการเจริญวิปัสนาพระพุเทธเจ้าก็ทรงสอนให้ยกขันหานี่แหละขึ้นมาพิจารณาก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะเอาขันหานี่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเพราะอะไร จ, จึงได้ทรงสอนไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าจิตนี้แหละมันไม่รู้แจ้งในขันทั้งหานี่มันยึงได้สร้างกิเลสพันห้าตัณหารอยแปดขึ้น มาในจิตใจนี่ทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่นี่นะก็เพราะไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงนั่นเองเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันไปพิจารณาเรื่องอื่นการเจริญวิปนะัสสนาเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็ต้องกําหนดพิจารณาขันห้า ขันหานี่ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นรูปประเภทหนึ่งเป็นนามนามมาธรรมเป็นแต่ชื่อมองไม่เห็นด้วยตาเลยนี่ท่านเรียกว่านามมาธรรมส่วนรูปนั่นเรียกว่าเรามองเห็นด้วยตาหนังนี่แหละบรรดาว่าสิ่งใดที่มองเห็นด้วยตาหนังแล้วเรียกว่ารูปทั้งนั้นแหละแต่รูปนั้นมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทอีก รูปหยาบหนึ่งรูปละเอียดหนึ่งอย่างนี้รูปละเอียดเช่นสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงสีอะไรต่ออะไรต่างๆว่นี่นะที่เรามองเห็นด้วยตายเนี่ยอันนี้ท่านก็จะเ่าเป็นรูปอันละเอียดส่วนหนึ่งแล้วเสียงที่เปล่งออกมาจากปากอันเนี้ยได้ยินเข้าใส่หูนี่นะ อันนี้ก็เป็นรูปละเอียดส่วนหนึ่งกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นรูปอันละเอียดอ <c oughs> รสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยมันเนี่ยอื <c oughs> อันนี้ก็เป็นรูปอันละเอียด <c oughs> นั่นแหละรูปละเอียดทั้งต่างมันนี้มันอาศัยอยู่ในรูปหยาบแบบนี้นะเป็นอย่างนั้น รูปอยาบ ก, ก็หมายเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เองเนี่ยเป็นรูปหยาบซึ่งรวมกันเข้าเป็นร่างกายเนี่ยนั่นแหละตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายพวกนี้รวมเรียกว่ารูปเป็นอย่างนั้นรูปเหล่านี้ผู้เจริญวิปัสสนาจำเป็นก็ต้องกําหนดกระจายออกไปดูให้เป็นส่วนเป็นส่วนไป เช่นผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเป็นต้นตลอดทั่วหมดแห่ะลักษณะอาการของร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะเราต้องกําหนดพิจารณากระจายออกเป็นกองมีกองไว้ลองดูสิเมื่อกําหนดพิจารณากระจายออกไปอย่างว่านั้นแล้วแล้วก็ย้อนมาถามจิตแหะ อันที่ไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเรานะจิตนี้มันจะตอบว่าอย่างไรอะ่ะแน่นอนแล้วมันก็ต้องตอบว่าไม่มีตัวเราไม่มีจะมีที่ไหนอันนั้นก็กองผมอันนั้นก็กองขนอันนั้นก็เล็บอันนั้นก็กองฟันอันนั้นก็กองหนังเป็นต้นเหล่านี้นะมันก็มีชื่อของมันอยู่หมดแล้วอ่ะอันที่ว่าตัวของเรานะมันไม่มีเลยแบบในเมื่อเรากระจายออกเป็นกองไปกองไปดูแล้วมันไม่มี นี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเพ่งที่นานร่างกายให้เป็นส่วนย่อยออกไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าใจเนี่ยมันหลงสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนนี่นั่นแหละมันเป็นก้อนมันเป็นตัวเป็นตนจริงมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันถึงได้ถือมั่นไว้ว่าตัวตนของเราใครจะมาด่าว่าติเตียนไม่ได้เลยโกรธ อย่างนี้นะอันนี้แหละ ม, มันสำคัญผิดคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนจริงจังเมื่อไปเห็นรูปอื่นสวยๆงามกรัดอยากได้สำคัญว่ารูปนั้นเป็นคนจริงถ้าหญิงเห็นชายก็ว่านั่นเป็นชายหนุ่มจริงถ้าชายเห็นหญิงสาวก็ว่านั่นเป็นหญิงสาวจริงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมา อ่าอย่างเนี้อ่ะอันนี้แหละเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสนาน า, นาประการกิเลสเหล่านี้เมื่อมันรวมกําลังกันเข้าหลายอย่างเช่นมีอวิชชาประกอบเข้าไปกับความรักความใคร่เหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้คนเราทําบาปกรรมเพราะความรักความใคร่อย่างว่าเนี่ยมีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาต ด, ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมดนี้ มันทำไปได้ก็มันเกิดจากความรักตัวเดี่ยวนี่แหละแต่มันมีอวิชชาเป็นเครื่องกากับนี่ลองพีจารณาดูให้ดีเหตุนั้นแหละพระศาสนาจึงได้ทรงสอนให้ผู้เจริญวิปัสสนานี่กระจายอัจฉรภาพร่างกายนี่ออกไปดูเมื่อกระจายออกด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วมันจะมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาใช่แล้วร่างกายอันนี้นะ เมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็คลายความโทสะพยาบาทอะไรต่างๆออกไปออคลายความรักความใคร่ต่างๆออกจากกิจใจถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็จะไม่ไปออร่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีถ้าเป็นบนรรพชิตยอย่างนี้ก็จะเป็นผู้สํารวมในะวินัยด้วยดีไม่ร่วงะวินยัย อ, อ, อย่างร้ายแรงต่างๆ มูนนี้นะก็จะเป็นผู้เจริญอด้วยคุณธรรมมันสูงจะเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้ความจริงของชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามบำเพ็ญความรู้ความเห็นอันนี้ให้ต่อเนื่องกันไปเมื่อความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันเจริญขึ้นเต็มที่จนเป็นมัคคุเังคีแล้วอย่างนี้มันก็สามารถที่จะละสังโยชน์ ความผูกพันกิเลสตัณหาดังกล่าวนี้ให้บรรเทาหรือว่าขาดเด็ดออกไปจากจิตใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้